เคยมาแล้วเปล่าเคยมาแล้วเลย ม, มาจากที่ไหน okay, ทีุเทพรุงเทพมาคราวนี้ต้องการจะฟังเรื่องอะไรเรื่องไม่มีไม่มีเรื่องเรื่องไหนก็ได้ แต่บางวันก็ส่วนใหญ่ทำงาแล้วเสือไม่นานครับอืก็ต้องพยายามบังคับใจให้อยู่กับปัจจุบันใจเราชอบลอยไปอดีตไปอนาคตไปที่นู่นที่นั่นให้ดึงให้มาอยู่ที่นี่โดยการใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ แล้วเราพุโทโธพุโทโธมันก็จะหยุดไปหรือให้มันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายกําลังทํางานอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นกําลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่การเขียนหนังสือกําลังคิดเรื่องงานก็ให้อยู่กับเรื่องงานอย่าแวะไปเรื่องอื่นะ ให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ดึงใจให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แปลว่ามีสติถ้ามันจะไปก็ใช้พุทธโธดึงกลับมาพุทธโธพุทธโธไปเช่นกำลังเดินใจก็ลอยไปคิดถึงพรุ่งนี้ไปคิดถึงเมื่อวานนี้ก็ดึงมันกลับมาใช้พุทธโททธโทดึงกลับมา ใช้ดูการก้าวเท้าของเรากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาให้ให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คำว่าปัจจุบันก็ให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้อย่าไปอยู่ตรงนู้นตอนนี้อย่าไปกรุงเทพอย่าไปอยู่ที่กรุงเทพอย่าไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน อนน้อู่่ที่ตรงนี้ให้ยู่ตรงนี้ถ้าฟังก็ให้อยู่กับการฟังฟังเสียงที่กำลังพูดนี้แล้วก็คิดตามคิดตามหรือว่าพิจารณาพิจารณาก็จะได้ความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจหรือพิจารณา ไม่ได้ยังไม่เข้าใจเสียงที่พูดว่ามีความหมายอย่างไรก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปที่อื่นให้เกาะติดกับเสียงไปก็ได้อย่างนี้ก็จะมีสติถ้าพิจารณาตามก็จะมีปัญญาจะรู้ว่าสติคืออะไรสติก็คือการดึงใจให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่าไปอยู่ที่นูน่นที่นั่นใจเราไม่ค่อยอยู่กับตัวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทำอะไรดีเม่อวานนี้ไปเที่ยวที่ไหนมามันก็เรียกว่ามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องบังคับั ตื่นขึ้นมาก็เริ่มเอาตั้งแต่ลืมตาเลยวันนี้จะบังคับให้มันอยู่ที่นี่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันก็มีร่างกายนี่แหละที่อยู่กับใจตลอดเวลาเป็นเหมือนฝาแฝดแต่ใจไม่ค่อยชอบร่างกายชอบทิ้งร่างกายไว้โดดเดี่ยวแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราต้องเน่องใจกลับมาให้อยู่กับร่างกายของเราเนื่งตาขึ้นมาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่านอนเดี๋ยวเราก็ต้องลุกกำลังจะลุกก็รู้ว่ากำลังจะลุกพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งพอลุกขึ้นมากเดินก็รู้ว่ากำลังเดิน ให้เฝ้าอยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาแป่งหน้าแปรงฟันอาบน้ำหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลารับประทานอาหารก็อยู่การรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานถ้าไม่ขับรถเองก็นั่งดูลมหายใจไป หรือนั่งพุโทโธพุธโทโธไปควบคุมใจตลอดเวลาพอถึงที่ทำงานก็อยู่กับการทำงานเข้าห้องทำงานเปิดประตูห้องเข้าไปเดินเข้าไปที่ทำงานที่นั่งทำอะไรให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการทำงานของร่างกายตลอดเวลาอันนี้ต้อง ข้อแรกเราต้องทําคือต้องตั้งเป้าหมายตั้งความตั้งใจต่อไปนี้เราจะผูกใจไว้กับร่างกายดูซิว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้นานสักเท่าไหร่พอมันไปที่อื่นก็ดึงกลับมาพอไปคิดถึงคนนู้นคนนี้ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วอะไปอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้แล้วะ ก็หนึ่งกลับม า, าแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดได้แต่ก็ต้องมีสติอยู่ัความคิดว่าเรากำลังคิดกับเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเอจนนัดกับใครไว้หรือเปล่ า, านัดกับคนนั้นคนนี้ไว้หรือเปล่ า, าก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุด อนุญลต ว, ว่าเราต้องทำอะไรกับคนนั้นคนนี้เราก็ยากหยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับร่างกายต่อไปถ้าไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆการหลับตาดูลมหายใจไปก็ยังอยู่กับร่างกายอยู่หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้น ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้มันหายใจยาวๆอย่างบางคนสอนะหายใจยาวๆลึกๆอันนี้ไม่ใช่อนนาปนสติเพราะมันบังคับจิตต้องบังคับลมจิตต้องทำงาน เราไม่ต้องการให้จิตทำงานไม่ให้จิตบุงแต่งให้จิตนิ่งไม่ให้คิดไม่ให้บังคับไม่ให้ทำอะไรให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยถ้าดูลมก็ดูเฉยเฉยลมจะเป็นอย่างไรก็รู้ตามลมไปตามเนื่องของลมไปเหมือนเราดูหนังหนังจะพาให้เราไปถึงไหนแล้วก็ดูมันไปเราไปกบกับหนังไม่ได้ ไปเปลี่ยนบทหนังก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องดูไปดูลมเหมือนดูหนังดูไปตอนต้นมันก็จะหายใจหยากแล้วต่อไปมันก็จะละเอียดลงไปตอนต้นก็อาจจะสั้นต่อไปก็จะยาวพอเมื่อจิตเริ่มสงบเริ่มเบาเริ่มความเริ่มคิดน้อยลงไป จิตก็จะสงบความคิดก็ลมก็จะเบาตามตามความละเอียดของจิตไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปบังคับลมแล้วถ้าเกิดมันละเอียดจนไม่สามารถจับได้ว่ากำลังหายใจหรือเปล่าก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจก็ให้รู้ว่าตอนนี้ลมละเอียดจนไม่สามารถที่จะจับลมได้ ก็ให้อยู่กับความว่างไปอยู่กับความรู้ไปอยู่กับผู้รู้ไปอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้ดูลมไปไม่ต้องไปกังวลกับลมถ้าไม่มีลมให้ดูก็ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็รู้อยู่กับความความไม่มีลมนั่นอย่าให้คิดอยา่าอย่าถ้าจิตคิดจะวิ่งไปหาอะไรก็ดึงกลับมา จะวิ่งหาลมก็ดินกลับมาไม่ต้องไปหามันถ้าไม่มีลมให้ดูก็ไม่ต้องวิ่งไปหาลมไม่ต้องไปบังคับให้ร่างกายหายใจแรงๆขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นลมได้ได้ดูลมต่อถ้าไม่มีลมให้ดูก็ไม่ต้องดูมันเหมือกับดูหนังแล้วอนหนังมันขาดสมัยก่อนหนังมันใช้ฟิล์มหนังขาดก็มีแต่จอว่างาเปล่า ก็ดูจอว่างไปเดี๋ยวเขาซ่อมเดี๋ยวเขาต่อฟิล์มเสร็จเขาก็จะมีภาพขึ้นมาใหม่เราไม่ต้องทำอะไรเราฝึกใจให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆไม่ให้คิดไม่ให้วิาพากวิจารไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้วิาพากวิจาร์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือ การฝึกสติถ้าเรามีสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งจะสงบจิตก็จะมีความสุขพอมีความสุขจากความสงบก็จะไม่อยากไม่มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราอหนึ่งใจไม่ได้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสองใจที่สงบมันมีความอิ่มในตัวของมัน มีความสุขในตัวของมันมันจึงไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกจากใจที่ไม่สงบนี้มันหิวมันก็จะคิดหาความสุขจากสิ่งภายนอกนี่คือกุญแจสำคัญดอกสำคัญในการที่จะทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิ ถ้าไม่มีสตินั่งไปจนมันตายจิตก็จะไม่สงบจะไม่ได้ผลแล้วก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายจะไม่อยากนั่งแล้วนั่งก็ลำบากเพราะนั่งแล้วใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งอึดอัดพออึดอัดก็ทรมานไม่อยากจะนั่งเพราะไม่มีสติควบคุมความคิดแต่ถ้ามีสติควบคุมความคิดแล้วมันจะเพลิน มันจะไม่รู้สึกเวทอมันจะรู้สึกสบายเบาอกเบาใจงนั้นพยายามฝึกสติตลอดเวลาก่อนที่จะมานั่งสมาธินี้ฝึกสติให้ได้ก่อนเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเราทำได้เนี่ยเรามีเวลาทำตลอดเวลาเรื่องการฝึกสตินี้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่วัด ถ้าไปได้ก็ดีมันจะทำให้ง่ายขึ้นแต่อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ทำได้สิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะฝึกสติเป็นหลักเราลืมตาขึ้นมาเราจะต้องใจเราต้องจดจ่ออยู่ที่ร่างกาย อลีวอยู่ที่พุทธโธอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างนี่พอเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้กำลังอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่ายืนท่านั่งท่านอนกำลังเดินกำลังทำอะไรอยู่ให้เฝ้าดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านเรียกว่ากายยักกตาสติการตั้งสติที่ร่างกาย ถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุ ท, ธ โ, ธพทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติตั้งสติอยู่ที่พระพุทธเจ้าถ้าเราสวดมนต์เราก็อยู่กับบทสวดมนต์ก็จะเรียกว่าธรรมานุสติก็ได้เพราะบทสวดมนต์ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสวดอิติปิโส อาังสัมมาสวคขาโตสุปัปันโนก็เรียกว่ามีสติอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสตินี่แหละเป็นตัวที่จะควบคุมใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ลอยไปคิดตามความอยากต่างๆ ถ้าไปคิดตามความอยากใจก็จะหิวใจก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้พอคิดถึงกาแฟก็ต้องไปชงกาแฟมาดืม่มพอไปคิดถึงมือถือก็ต้องเปิดมาดูาคิดถึงเพื่อนก็ต้องเช็คดูว่าเพื่อนส่งข้อความมาหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนอยู่ที่ไหนกำลังไปกินอะไรถ่ายรูปส่งมาให้ดูหรือเปล่า สมัยนี้ทำอะไรก่อนจะทำนี่ต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายแล้วก็ส่งไ้ให้เพื่อนดูให้เขาอิจฉาโอ้ยตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วกเกินเธออยู่ที่ไหนทำอะไรนี่คือใจเรามันจะชอบรอยไปกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วถ้าเกิดโทรศรัพท์เสียขึ้นมาก็งดเหงียนนะ ไม่มีเครื่องมือที่จะเล่นนะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้มีความสุขเลยเงินหมดไม่มีเงินซื้อของไม่มีเงินไปเที่ยวต้องอยู่เฉยๆอยู่บ้านนี้ก็ยังหงุดหียดําคาญใจเศร้าซ้อยหง่อยเหงาว้าเวแต่ถ้าเราพุโทโธเป็นเราเฝ้าดูร่างกายเป็นเฝ้าดูรวมเป็น ไม่มีเงินกดีจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรอยู่บ้านนั่งสมาธิทำใจให้สงบกับดีกว่ามีเงินมีเงินไปเที่ยวกลับมาก็เหนื่อยเงินก็หมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดกลับมาก็กลับมาเจอกับความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมถ้าเรารู้จักใช้สติควบคุมใจให้สงบ เราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรอันนี้แหละเป็นของวิเศษมีอยู่ในตัวเราเรากลับไม่หากันเรากลับไปหาของที่ไม่วิเศษไปหามือถือมาเล่นกันไปหาขนมมากินกันไปเที่ยวกัน ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อกันเราก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองกันอ๋อถ้าไม่มีเงินทองก็ซื้อของต่างๆไม่ได้พอต้องหาเงินก็ทุกข์กันลำบากกว่าจะได้เงินมารักบานหนึ่งก็ต้องเหนื่อยพอได้มาปักก็ใช้แป๊บเดียวหมดแล้วเงินเดือนออกนี่ วันเดียวก็ใช้หมดนะไปชอปปิ้งกี่เดียวก็หมดนะอันนี่คือเรื่องของพวกเราที่ไม่มีสติมันจะพาชีวิตเราไปตลุมบอลอยู่เรื่อยๆตลุมบอลกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วทุกข์อึดอัดต้องคานใจ พอได้ไปทำอะไรแล้วดีอกดีใจแต่ดีใจดดเดียวเดียวเดียวเดียวพอไม่ได้ทาก็ทุกข์อีกแล้วแล้วต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแก่ลงไปกำลังวังชาที่จะทำอะไรอย่างที่เคยทำก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปพอไม่ได้ทำอะไรก็จะหดเก็บงําคาญใจมันไม่หายของพวกนี้ แล้วยิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งทำอะไรไม่ได้ใหญ่ต้องไปแต่โรงพยาบาลไปหาหมอไปรักษาตัวนี่ก็หาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขในใจมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้หายทุกข์เพราะอยากจะไปเที่ยวทุกข์เพราะอยากจะไปทำอะไรที่ตามที่เคยอยากทามาตามที่เคยทำมา พอไม่ได้ทำก็ทุกข์แล้วถ้าคิดถึงความตายว่ากำลังจะใกล้เข้ามาก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พอเมื่อตายแล้วก็หมดเสียหมดมีอะไรก็หมดหาอะไรมาได้มากน้อยเพียงไรความสุขแบบชนิดไหนได้มามากน้อยเพียงไรก็ต้องหายไปหมดหายไปกับร่างกาย ถ้าเราฝึกสติได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราทําอะไรไม่ได้เพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายอยู่แล้วเวลาที่เราหาความสุขจากสมาธินี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเลยร่างกายจะอยู่ในท่าไหนาก็ได้ถ้ายืนถ้านั่งท่านอนก็ได้ถ้าเรามีสติดีๆแล้วอยู่ในท่าไหนาก็นั่งสมาธิได้ แต่ตอนสึกใหม่ๆนี้อย่าไปอยู่ในท่านอนเพราะมันจะทำให้เราหลับเพราะสติเรายังมีกำลังน้อยพอมันสบายจิตมันก็จะหลับพอน่านกายสบายจิตก็จะหลับก็ต้องนั่งนั่งมันจะไม่ค่อยหลับขณะนั่นก็ยังหลับกันถ้าหลับก็ต้องเดินลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินพุโทโธพุโทโธไป เดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปจนรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วก็ค่มานั่งใหม่ถ้านั่งปั๊บเดี๋ยวง่วงอีกก็ลุกขึ้นไปเดินใหม่อถ้ายัางง่วงอยู่ก็ต้องลดการกินอาหารให้น้อยลงอย่า ก, กินมากคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมนี้ต้องถือศีลปดถึงจะดีต้องไม่กินข้าวหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ายัางง่วงก็ จากสองมื้อก็ลดเหลือมื้อเดียวอถ้ายังง่วงอยู่ก็เหลือครึ่งมือ้อลดไปเรื่อยๆนับรองแน่ว่าเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าร่างกายมันหิวมันไม่ง่วงห ร, อหรือถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งเดินอไปหาป่าช้าเนี่ยไปนั่งสมาธิใน ป, ป่าช้า ไปนั่งในป่าในป่าบนเขาเนี่ยไปนั่งที่ในป่านั่งคนเดียวทางไหนที่มีงูเลื้อยผ่านเนี่ยมันจะไม่ง่วงมันจะตื่นตัวตลอดเวลาการหาความสุขทางใจนี่มันก็มีอุปสรรคของมันความง่วงก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่ง ก็ต้องแก้ด้วยการผ่อนอาหารรับประทานอาหารให้น้อยลงหรือต้องไปหาที่มันน่ากลัวอยูอ่ถ้าไปอยู่ในป่านี่เวลาเดินหรือเวลาทําอะไรนี่มันจะมีความระมัดระวังความระมัดระวังก็คือสติเดินนี่ต้องคอยดูทางเดินตลอดเวลาว่ามีงูเลื้อยออกมาหรือเปล่า มันก็จะทำให้มีสติมีความตื่นตัวจะทำให้ไม่ง่วงเราต้องแก้ปัญหาถ้าเกิดความง่วงถ้าเกิดความฟุ้งซ่านก็เพราะเราไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ฟุ้งแล้วก็อยากก็ต้องใช้สติคอยกำกับใจควบคุมใจ พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอท่านนั่งแล้วโกรธขึ้นมาก็ต้องระงับความโกรธถ้าโกรธคนนั่นคนนี้เพราะส่งเสียงมารบกวนเรากำลังจะนั่งสมาธิเขาคุยกันเราก็โกรธขึ้นมาเราก็ต้องให้อาภัยเขาอย่าไปถือสาเขาเขาไม่รู้ว่าเรากำลังอยากจะนั่งสมาธิอยากทำใจให้สงบ เขาอยากจะคุยกันเขาก็คุยกับเขาไปถ้าไปโกรธแล้วไม่ไม่ให้อภัยใจมันก็จะไม่หายโกรธมันก็จะเริ่มโมโหมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องไปบอกเขาไปพูดกับเขาไปว่าเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจเขาก็อาจจะกลับมาเถียงเราก็ได้เถียงไปเถียงมาเดี๋ยวก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาสกัน มีเรื่องมีราวกันนั่งสมาธิเลยนั่งไม่ได้แตถ้าเราให้อภัยเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเถอะเขาไม่มีสติเขาคุยกันก็อย่าไปถือสาเขาคิดว่าเป็นเหมือนเด็กกันแล้วกันถ้านั่งตรงนี้ไม่ได้ก็เดินไปหาหมุมอื่นที่ไม่มีใครคุยกันเปลี่ยนที่อย่าไปดันทุรังนั่งตรงนั้น แล้วก็ไปโกรธเขาไปบังคับให้เขาไม่คุยกันเราต้องรู้จักแพ้นักปฏิบัติธรรมนี่ต้องรู้จักแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้แล้วใจจะสงบถ้าชนะแล้วใจจะไม่สงบชนะเขาใจก็ไม่สบายเมื่เราไม่ดีเลยนะไปด่าเขาบางทีไปว่าเขาอแพ้ดีกว่า นั่งตรงนี้ไม่ได้ก็ย้ายที่ไปหาที่อื่นนั่งเออต่อไปถ้าจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ไปหาที่ปฏิบัติที่ไม่มีคนคุยกันอไปที่วัดที่เขามีกฎมีระเบียบคอยควบคุมคอยห้ามไม่ให้คุยกันอันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของความโกรธได้อย่าไปเอาเอาแพ้เอาชนะกัน แ, แพ้ชนะการใจมันจะไม่สงบชนะเขาใจก็ไม่สบายแพ้เขาพรพอสู้เขาไม่ได้ก็ไม่สบายใจต้องแพ้แบบพระคือถอยยกทงขาวไม่ไม่ต่อสู้กันยอมยอมแพ้แล้วก็จะหยุดต่อสู้กันพอหยุดต่อสู้กันใจก็จะเย็นก็เลยก็ยอมหยุดเย็น ใช้สูตรสามยอถ้าอยากจะให้ ใ, ใจเราสงบเราต้องรู้จักใช้สูตรสามยอยอมแพ้พอใครจะมาท้าตีท้าต่อยก็ยอมแพ้ไม่ตอบโต้เฉยๆเขาด่าเราก็พูดโธพูดโธไปภายในใจทำตัวเราเป็นเหมือนเสาเนี่ยเราด่าเสานี่ดูสักพักดูสิเดี๋ยวเราก็เหนื่อยเองคนด่าก็เหนื่อยเองเสามันไม่ตอบโต้อะไร ทำตัวเราให้เป็นเสาทำใจเราให้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ยินเสียงเขาดา่าไม่ได้ยินเสียงเขาว่าเราพุโทโธพุโทโธของเราไปเดี๋ยงเขาเหนื่อยเขาก็อยู่ดเองแล้วเขาก็ไปพอเขาได้ดา่าเขาได้ว่าจนพอใจแล้วเขาก็ไปแล้วเรื่องก็จะจบหยุดต่อสู้แล้วใจก็จะเย็ยน ถ้าไม่ยอมก็ต้องสู้กันด่ามาก็ด่าไปเขาด่ามาเราก็ด่าแรงกว่าเขาดา่าเราด่าแรงกว่าเขาก็แรงกว่ากลับมาพอแรงกว่ากลับมาเราก็ตีเล ย, เยพอตีเขาก็ตีแรงกว่าเดี๋ยวก็ท่าเดี๋ยวก็ฆ่ากันนะแต่ถ้าเรายอมไม่ตอบโต้ไม่ตอ่อสู้เราก็หยุดพอเราหยุดใจเราก็เย็นสบาย แล้วก็ไม่มีเวณมีกรรมกันยังอยู่อกันเป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวอารมณ์เขาหายเขาก็ลืมเขาก็เขาก็เย็นกลับมาเขาก็อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราใหม่บางทีก็อาจจะเสียใจก็อาจจะมาขออาภายัยเสียด้วยซ้ำขอโทษเมื่อกี้นี้นอตหลุดจิไม่มีเลยต้องววยวาย ต้องเป็นมารต้องเป็นยักษ์เป็นมารกันแต่เราเป็นพระเขากับ เ, เห็นคุณค่าของความเป็นพระของเราเขาก็เลยมาขอโทษได้เราก็ต้องยินดีให้เขาขอโทษรับการขอโทษของเขาไปคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นศัตรูกันเป็นเพื่อนกันนี่มันดีเกินดีอาจจะต้องพึ่งกันต้องอาศัยกันได้ ถ้าเป็นศัตรูกันนี้จะไม่เพื่อนกันไม่ได้อาศัยกันไม่ได้ถ้าเราสามารถพลิกศัตรูกลับมาเป็นเพื่อนได้เนี่ยเราได้สองเด้งเลยหนึ่งได้กำจัดศัตรูสองได้เพื่อนจะได้ก็ต้องรู้จักใช้สูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมแพ้หยุดต่อสู้แล้วใจจะเย็นจะสบายนี่คืออุปสรรค ที่จะขวางกัน้นการทําใจของเราให้สงบต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆการปฏิบัติที่จะถูกต้องนี้ต้องมีคนสอนแต่ไม่ต้องมาสอนตอนที่นั่งบางคนคิดว่าจะต้องมาสอนตอนนั่งเหมือนนั่งโยคะต้องทําท่านี้แบบนี้ต้องทําท่านั้นแบบนั้นนั่นสอนโยคะแต่สอนนั่งสมาธินี่ เวลานั่งไม่ต้องสอนแล้วเพราะเวลานั่งนี้เป็นเวลาที่เราต้องทำเองถ้ามัวนั่งฟังตอนนั้นมันก็มันก็ยังไม่ได้ทำเองพอไม่มีคนบอกก็จะนั่งไม่ได้ตอนนี้มามาเรียนวิ่งกันวิธีทำใจให้สงบวิธีจะเดินสติวิธีตั้งสติพอเรารู้จักวิธีแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปหา ที่นั่งก่อนจะนั่งการเนี่ยก่อนจะไปถึงที่นั่งก็ต้องมีสติพาไปอย่าอย่าให้ความอยากพาไปความอยากนั่งพอมีก่อนความอยากพอไปนั่งแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจอีกเนี่ยเพราะมันไม่มีผลมันจะไม่ได้ผลเพราะความอยากไม่ได้ทําให้เกิดผลาสติเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่จะทําทให้เกิดผลเห็นเราต้องไปด้วยสติ ตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นจะเพิ่งสนใจไปถึงตรงนั้นตอนนี้อยู่กับร่างกายตรงนี้ไปก่อนเดินไปกับมันจนกว่าจะถึงจุดที่เราจะนั่งเราเราก็นั่งไปกับมันพอมานั่งเฉยๆแล้วเราก็ดูโลมายใจไปเนี่ยคำว่าปัจจุบันนี้มันละเอียดมาก ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันพอเราเก้าวไปเราก็ต้องอยู่ปัจจุบันกับปัจจุบันใหม่แนละ้วะถ้ามาคิดถึงตรงนี้มันก็เรียกว่าเป็นอดีตไปแนละ้วต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปอนาคตอย่าให้ไปอดีตให้อยู่ตรงกลางอยู่ในปัจจุบันแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบง่าย ใจสงบแล้วจะมีความสุขมากจะไม่อยากได้อะไรจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้นี่มันเป็นทุกข์เพราะมันต้องมีวันพัดพากจากกันเวลาจากกันนี่ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครยิ้มมีแต่ร้องไห้มีแต่เสียใจเสียดายของที่เรารักแต่ของที่เราเกลียดเนี่ยยิ้มกันได้ดีใจเพราะคนที่เราเกลียดถูกยกย้ายไปตายไปนี่เรายิ้มกันได้ แต่น้อยน้อยเราเพราะเราไม่ค่อยเกลียดกันเท่าไหร่เราเรารักกันมากกว่าเรารักของรักข้าวรักของรักคนรัก ส, ก, สกสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นพยายามฝึกสติให้ได้ก่อนถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบก็แสดงว่าไม่มีสติคอยกํากับใจ <c oughs> นั่งสมาธิอย่านั่งเฉยเฉยไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็ดูความว่างดูอะไรไป เดี๋ยวจิตมันก็หลอกเราเดี๋ยวจิตมันก็หลอกสร้างภาพมาหลอกเราเรานั่งเราต้องควบคุมจิตไม่ให้มันสร้างภาพไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไม่งั้นมันก็จะไม่สงบนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องมีความพยายามต้องมีความอดทน ข้อที่หนึ่งต้องมีความตั้งใจตั้งใจว่าต่อไปนี้จะฝึกสติเรื่อยๆข้อที่สองต้องมีความจริงใจกับการตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจพอถึงเวลาไม่ทำเลยตดินขึ้นมาก็ลุกพวดพาดเข้าห้องน้ารีบคิดวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรที่ไหนเมืออ่อไหรคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับร่างกายเลยอยู่ก็เฉพาะแค่แวบๆบแบบ แแปลงฟันก็แปลงไปปับ๊บสองสามทีก็ไปคิดเรื่องนั้นนะล้างหน้าสองสามทีก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติละไม่มีความไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจที่จะทาตามที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าตั้งใจเอาไว้ว่าจะมีสติอยู่กับร่างกายก็ต้องดึงใจกลับมาอยู่ที่ร่างกายแต่ใจนี้มันไวมากมันเคย กับการทิ้งร่างกายให้อยู่เดียวด้มันชอบทิ้งร่างกายแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลอยติดเป็นนิสัยน้่เราต้องดึงมันกลับมาด้วยการอาจจะทำอะไรให้มันช้าๆหน่อยอย่าให้มันอย่าให้มันเร็วกว่าเกินไปมันจะได้ต้องคอยดูว่ากำลังทำอะไรอยู่ต้องมีสัจจะ เราก็ต้องมีขันติความอดทนเพราะเดี๋ยวมันเผอเผอเรื่อยเวลาเผอก็ท้อแท้เบื่อหน่ายต้องมีความขยนันขยันทำขยันตั้งสติถ้ามีสี่ข้อนี้ก็จะสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้สร้างสติขึ้นมาได้อย่าลืมความตั้งใจข้อแรกอย่าลืมความตั้งใจ สองเมื่อตั้งใจแล้วต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้สามเราต้องขยันทำอยู่เรื่อยๆขยันเฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆหรือยขยันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสี่ต้องอดทนทํแล้วรู้สึก อ, อดึดอัดรู้สึกยากลาบากก็ต้องอดทนเอาขอให้คิดถึงผลที่จะได้จากการมีสติต่อไป ว่าจะทําให้เรามีความสุขจะทําให้เราไม่มีความทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้นําไปถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของใจได้ความทุกข์ต่างๆมันไม่ได้เกิดจากอะไร เ, รเกิดจากความอยากของเราเอง พออยากแล้วมันจะทำให้เราทุกข์แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วพออยากจะดื่มกาแฟนี่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้อยากจะสูบบุหรีก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาบุหรี่มาสูบต้องไปหากาแฟมาดืม่มถ้าไม่ได้สูบไม่ได้ดืม่มก็ทุกข์อึดอัดําคาญใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยาก เดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังเองพอพอความอยากมันหยุดมันหมดกำลังความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาเพราะมันหมดมันหมดกำลังเหมือนต้นไม้ที่เราไม่รดน้ำให้มันถ้าเราไม่รดน้ำให้ต้นไม้สักพักหนึ่งมันก็ตายมันก็เฉาตายไปความอยากก็เหมือนอย่างกันถ้าเราไม่ทาตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกาลังไป แล้วมันจะไม่รู้สึกอยากกาแฟไม่รู้สึกอยากจะสูบบุหรี่ก็ดูคนที่สูบบุหรี่กับคนที่ไม่สูบบุหรี่ใครสบายกว่ากันคนสูบบุหรีก็ต้องคอยหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆเวลาไม่สูบ ก, ก็อึอดอัดหมดเหยียดลำคาญใจแต่คนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เดือดร้อนเลย นคือความแตกต่างของคนที่อยากกับคนที่ไม่อยากคนที่อยากนี่มันพออยากอะไรขึ้นมาแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาทันทีอึดอัดขึ้นมาทันทีกวลกวาย์ลกระสับกระสายขึ้นมาทันทีใจสั่นขึ้นมาทันทีคนที่ไม่มีความอยากก็เฉยสบายอย่างตอนนี้นั่งอยูนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีความอยากอะไรสบายไหมสบาย เดี๋ยวถ้าเกิดอยากขึ้นมาไม่สบายแนละ้วเดี๋ยวนั่งเฉยๆไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวต้องไปทำอ้างความอยากไปง้วเรามาสร้างสติกันขึ้นมาเพราะสตินี่เราสามารถหยุดความอยากได้ถึง <c ười> แม้ว่าจะเป็นการหยุดชั่วคราวแต่ก็ทำให้เราหยุดความทุกข์ลดความทุกข์ได้แล้วเราจะได้ใช้ปัญญามา หยุดบัญญอย่างทาวรต่อไปได้ถ้าเรายังหยุดชั่วคราวไม่ได้เราจะไม่สามารถใช้ปัญญา ม, มาหยุดความอยากได้อย่างถาวรได้ขั้นต้นต้องหยุดชั่วคราวก่อนพอหยุดชั่วคราวแล้วก็สอนใจว่าการทําตามความอยากนี้มันทําให้เราไม่สบายใจแล้วมันจะทําให้เราต้องทําไปจนไม่มีวันสิ้นสุด ตายจากชาตินี้ไปก็ยังความอยากก็ยังไม่หมดจากใจมันก็จะลากให้เรากลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราเห็นโทษของความอยากด้วยปัญญาเวลาเกิดความอยากเราจะได้พยายามฝืนมันพยายามไม่ทําตามมันโดยใช้สติช่วยพออยากก็พูดโธพูดโธไปเดี๋ยวความอยากก็จะหมดกําลังไป ถ้าเราไม่ทําตามความอยากนี่คือเรื่องของการปฏิบัติทำมีสองขั้นขั้นแรกเรีวยกว่าสมถะขั้นที่สองเรีวยกว่าวิปัสสนาสมถะก็เนี่ยทําใจให้สงบก่อนทําใจให้หยุดความอยากชั่วคราวก่อนพอหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาใจที่ได้หยุดความอยากแล้วมันจะไม่ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่ ได้หยุดความอยากเพราะใจมันมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่มีสมาธิมีความสงบหล่อเลี้ยงอยู่พอมันอยากก็เพ่งแต่ใช้ปัญญาบอกว่าอย่าทำตามความอยากมันก็ฝืนได้มันก็อยู่เฉยๆได้มันจะไม่ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนอนต้นต้องใช้สมาธิสร้างเป็นฐานกำลังของใจไว้ต่อสู้กับความอยาก เวลาที่เราจะต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ไม่ทำตามความอยากปัญญาเราต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ต่างๆขั้นต้นก็เกิดความไม่สบายใจแล้วพอกิดความอยากขึ้นมาก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพอแล้วพอไปทำตามความอยากถ้าไม่ได้ก็เสียใจก็ทุกข์อีกถ้ได้มามันก็ได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดอีก ดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟาหมดไปความอยากจะดื่มกาแฟาใหม่ก็กลับขึ้นมาอีกมันก็จะทําอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆถ้าเราทําตามความอยากแตถ้าเราไม่ทําตามความอยากถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะฝืนมันได้เรามีความสุขใจที่เกิดจากสมาธิเวลาเกิดความอยากแล้วก็ ไ ม, ไม่เดือดร้อนพูดง่ายๆ <c oughs> <c oughs> เหมือนคนที่อิ่มข้าวแล้วถ้าอยากกินอีกไม่กินก็ได้ใช่ไะม <c oughs> ถ้าเรารู้ว่ากินแล้วอ้วนกินแล้วน้ำหนักเกินกลายเป็นตุ่มไม่เอาดีกว่าเราอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกพวกที่อิ่มแล้วแต่ยังอยากกินอีกนี่เราไม่ใช้ปัญญามันก็จะกินต่อ ม, มันก็คิดว่ากินแล้วมีความสุข แต่มันไ ม, ม่มองเห็นโทษที่จะตามมาต่อไปร่างกายน้ำหนักเกินหนึ่งความสวยงามของสวดทรงก็หายไปจากร่างขวดก็กลายเป็นร่างตุ่มไปสองโรคโภัยไขโรคภัยต่างๆก็จะเข้ามาโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจตายเร็วความสุขชั่วปลายลิ้น แต่ต้องนำความทุกข์มาให้ทำให้ชีวิตสั้นลงทำให้มีโรคภัยเบียดเบียนทำให้ไม่มีใครรักใครชอบไม่มีใครชอบตุ่มเลยชอบแต่ร่างกายที่เป็นขวดเนี่ยขวดมันมีสวนทรงนี่คือปัญญาต้องใช้ให้เห็นโทษเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่เรียกว่าวิปัสสนาตอนต้นก็เอาส ม, มะถะก่อนพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สงบให้ดวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาแล้วใจจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วพอออกจากสมาธิมาพอมีความอยากก็สู้กับมันได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็กลับไปสมาธิต่อไปเติมกาลัง เพราะสมาธินี้ก็เป็นเหมือนน้าที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาอให ม, มาใหม่ๆมันจะเย็นเจี๊ยบเวลาเอามาใหม่ๆจิตมันจะอิ่มแต่ถ้าทิ้งไว้สักพักก็เดี๋ยวเริ่มหิวแล้วเริ่มความสุขเริ่มจางไปลเริ่มความอิ่มพอเกิดความอยากมันก็จะรู้สึกทัดทรมานถ้าสู้ไม่ไหวก็กลับเข้าไปสมาธิต่อพุโทโธพุโทโธต่อกคือ ทำไงก็ได้แต่อย่าไปทำตามความอยากนแล้วต่อไปความอยากแล้วมันก็จะหมดกำลังไปแต่ถ้าเรากลับไปในสมาธิไม่ได้เราจะต้องทำไงเราก็ต้องไปทำตามความอยากมันถึงจะหาให้ทรมานใจใช่แต่ถ้าเราทำสมาธิได้เวลาอยากกาแฟเราก็กลับไปในสมาธิถ้าเราอยู่เฉยๆฝืนมันไม่ได้จริงๆก็กลับไปแสดงว่ากำลังฝืนหมด กำลังของอุเบกขาหมดก็กลับไปเติมอุเบกขาใหม่แต่ทำไงก็ได้อย่าไปดื่มกาแฟก็แล้วกันแล้วต่อไปความอยากดื่มมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดนี่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนามีสองส่วนสมถะภาวนาทาใจให้สงบให้มีความสุขก่อนแล้วก็จเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาคือปัญญา ให้รู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเนี่ยถ้าทําตามความอยากเราจะไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์จะไม่มีวันหมดการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีวันหมดมถ้าหยุดความอยากแล้วความทุกข์จะหมดามการเกิดแก่เจ็บตายจะหม ด, หมดมไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเนี่ยดูพระพระพุทธเจ้าของพวกเราดูพระอรหันตสาวกของพวกเราเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านหยุดคำอยาก ท่านฝืนความอยากได้หมดท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปท่านยังอยู่เพียงแต่อยู่แบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเองอยู่แบบเทวดาอยู่แบบกายทิพย์แต่เทวดานี้ก็สู้อยู่แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเทวดาก็ยังต้องตกสวรรค์เดี๋ยวบุญหมดก็ต้องตกสวรรค์กลับมาเกิดใหม่แต่พระพุทธเจ้าภาษาวกนี้ไม่ตกสวรรค์ อยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไม่มีวันตกลงมาอยู่สวรรค์ตลอดไปตลอดอนันตการไม่มีวันชื่นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาวิธีปฏิบัติวิธีภาวนากันถ้าเรามีทำสี่ข้อคือหนึ่งมีความตั้งใจสองมีความแน่วแน่จริงใจต่อความตั้งใจสามมีความเพียรพยายาม 4. มีความอดทนเราจะสามารถที่จะทำภารกิจที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จรุง่งร่วงได้ก็คือภารกิจของการบาเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสามาถภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาเพื่อสอนใจไม่ให้หลงไปทำตามความอยากติดต่อไป เรสอนใจให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่สร้างความสุขความสุขเป็นความสุขปอลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนน้ำตาลเคลือบยาขม อ, อย่าไปอมมันอมแป๊บเดียวเดี๋ยวน้าตาลละลายก็เหลือแต่ความขมอย่าไปทําตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากความอยากเดี๋ยวมันไดมาเดี๋ยวเดียวมันก็หมดไปพอมันหมดไปแล้วทีนี้ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันที แล้วก็จะทําให้เราทําอยู่เรื่อยๆกลับไปหาความสุขใหม่ไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดเดี๋ยวก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพยังอยากจะเที่ยวต่อให้มองอย่างนี้ไปนี่เรียกว่าปัญญาเหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรทําตามความอยากกันเมื่อเรารู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าเราก็ทําตามเหตุตามผลนนั้เราไปความอยากก็จะหมดไป ถ้าเรายังทําตามความอ ย, อยากอยู่แสดงว่าเราไม่มีกําลังสู้มันหรือเราไม่มีความเข้าใจไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่เห็นว่าทําตามความอยากเป็นการพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาเราไปสู่ความสุขเราก็ต้องพิจารณามองให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์แต่มันมีความสุขบางหน้าอยู่เวลาแต่างงานกันใหม่ๆนี่โอโ้สุขเนี่ยเวลามีแฟนนี่อยากมีแฟนกัน พอมีแฟนแล้วแต่งงานเห็ก็จากงานแต่งงานกันรู้สึกทุกคนสุกกันใหญ่นะเวลาหม้อข้าวไม่ทันดําเวลาตีกันอยู่ในบ้านยังไม่มีใครมองเห็นอยูนนะ่เนใช่ไหมเวลาทะเลาะกันเวลา อ, าอาทําอะไรให้ทําให้ผิดหวังต่อกันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาตอนนั้นไม่ใค่อยเห็นกันอต้องใช้นักสือไปสืบดูถึงจะเห็นกันปัญญาคือนักสือ พยายามวิเคราะห์ให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันมันดีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เสียได้แม้แต่อาหารที่เราชอบกินกันดีขนาดไหนถ้าไม่มีที่เก็บไว้เดี๋ยวมันก็บูดของทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างนาไปสู่ความทุกข์ แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันดีให้มันสาวให้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็สั่งไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์มองให้เห็นถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นเป็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้ต่อไปแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปได้นี่หละคือเรื่องของการปฏิบัตินะ ปฏิบัติธรรมด้วอจิตตภาวนาคือการมาควบคุมใจเพื่อให้สงบแล้วก็สอนใจให้เลิกความอยากมีสองหน้าที่ขั้นต้นทําใจให้สงบสอนใจให้สงบสองสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นโทษของการทําตามความอยากว่าเป็นการนําไปสู่ความทุกข์นําไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เอาแล้ว น, น, น, นะตะาคิดว่าพอสมควรกก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานางังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุนหังคิดป้าเมวะสมิจจโตสัพเทปุเรนตุสังกับา จันโทปันาระโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหทัมวาทานติอายุวันสุขังภาลางกลามาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็ยังเข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปนะมีหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นนะแจกงนะานงานจะมีมาแจากทีหนึ่งเล่มีหนังสือดีมาก แล้วจะเกิดศรัทธาในการปฏิบัติแล้วอยากจะบวชบวชแล้วก็ไม่อยากจะเสึ็จอยากจะเป็นพระอนาหารกันมายังไงาษานี้มากามาวเหลอมากี่วันอยากได้ตกหลุมตกหออีก <c oughs> อย่าปอยาก ต้องพุดโทอย่างเดียวต้องมีใช้สติย อ, ย อ, อยาวงุอยากก็ไม่ได้ต้องมันคุกถ้าไปตั้งใจแล้วมันจะไม่ได้ต้องพูดโธพุดโธไปวันนี้เฟซบุ๊เข้ามาเท่าไหร่ทเบุเข้ามาสาปบหกผัันนี้วันนี้หายไปร้อยกว่าทาง Youtube เข้ามาหนึ่งรอยิบเจ็ดผทไม่หายหายเฟซบุ มีถ่ายทอดสดทุกวันนะบ่ายสองโมงถึงสี่โมงใน Facebook ก็พระอาจารย์สุชาติใน YouTube ก็พระสุชาติไลฟ์ติดตามได้เสิร์ชเข้าไปได้อยู่ที่ไหนก็ดูได้ฟังได้สมัยนี้ไม่ต้องมาถึงที่นี่อันนี้มีคนติดตามทั่วโลกเลยยี่สิบหกยิบเจ็ดประเทศแล้วมั้ง ยี่สิบเจ็ดนะนะประเทศนะแต่ไม่ได้ติดตามตลอดเวลาพร้อมกันยีิบเจ็ดประเทศ <c oughs> นะเคยเข้ามา <c oughs> เคยแจ้งเข้ามาว่ามาจากประเทศไหนบ้างนะส่วนให ญ, ญ่ก็เป็นชาวไทยอยู่ต่างประเทศกันเพราะฝลังเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอันะ <c oughs> นี้มีต่างชาติเข้ามาไหมไม่มีค่ะยังไม่มีนะ เมื่อกี้มระอาจารย์เทศอค่ะเกี่ยวกับว่าเราต้องออมีสติจนนั่งสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วความอยากมันเกิดมันถึงมีกำลังต้านทีนี้คือถ้าเกิดถ้าสมาธิยังไม่ได้ความอยากเถื่อเหมือนใจยู่ลมยังไง ก, งก็ต้องก็ต้องทำตามความอยากอย่างนั้นระคะ่าตัง แล้วถ้าสมมติคนที่เ้าได้สมาธิแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พัฒนาทางปัญญาคือคื อ, คอเขาเายังไม่ได้พัฒนาเขาก็ไม่รู้ว่าทำตามความอยากไม่ดีเข า, ายังทับกลับไปทำตามความอยากอยาก่าง <Or. S 2> นั่งสมาธิเสร็จออกมาอยากจะดื่มกาแฟก็ดื่ม <S <S 2> <S 2> อยากกินขนมก็กินม<ๆ>ันก็จะไม่ตัดความอยากแสดงว่าสมาธิมันก็จะมีอะไรอาหารอาหารสำรองอาหารสำรองอ่าเห็นือรเชาติแหะ กอ็ อ, ออกมาสักพักก็ใช้ไฟแ่ด ม, ม, มันก็จะ <ไป S 1> หมอชาติใหม่หมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ อ, อจนกว่าเราจะกําจัดความอยากให้หมดไปได้ปัญญาพอได้ปัญญาปุ๊บนี่คือจะไม่จะไม่มีจะไ ม, จะไม่จะไม่กลับไปอยากต่อแล้วจะเห็นว่ามันโทษเป็นเป็นทุกมาสุกต้นแต่ทุกปลายเรามักจะมองไม่เห็นทุกที่ตามมาเห็นแต่สุขที่อยู่ข้างหน้าเหมนคนเดินมาเป็นแถวเนี่ยเดินเข้ามาแถวเดียวเนี่ยมีสองคน เห็นแต่คนข้างหน้าแต่ไม่เห็นคนข้างหลังเราต้องวุกกลับไปดูว่าข้างหลังมีหรือเปล่าเอาใช้ปัญญาดูว่าถ้าเกิดอะไรไอ้กาแฟหมดจะทำยังไงถ้าเกิดแฟนตายไปแฟนทิ้งมาไปจะเป็นยังไงมันไม่คิดกันใช่เวลาแต่งงานกันก็คิดว่าจะอยู่กันไปจนจนวันตาย ที่ไหนได้บางทีมงเมื่อข้าวยังไม่ทันดำก็แยกแยกทางกัน้ะแล้วเวแบบแลาแยกทางกันมันสุขก็มันทุกข์มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาจากสิ่งที่เราได้มาของจะซื้านใหม่ๆดูสวยงามไปหมดเนี่ยได้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เริ่มรวนละเดี๋ยวก็เสียแล้วพอเสียแล้วมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์แล้วลมันเสียไ ม, ไม่เห็นกัน เห็นแต่เห็นแต่ต้นไม่เห็นปลายเพราะฉะนาต้องเห็นให้มันครบทั้งต้นทั้งปลายะถึงจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีวันเสียวันเสื่อมวันหมดเวลามันเสียมันเสื่อมมันหมดนั่นมันก็ทําให้เรากลับมาอยู่จุดเดิมตอนนี้คือจุดที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมคือเนี่อย่าไปหาไปเสียเวลาอยู่กับจุดที่ไม่มีดีกว่าด้วยการหยุดความอยาก พอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่กับการไม่มีได้ <S <S ใช่ไหมถ้ามีความอยากแล้วมันไม่ได้ละมันอยู่มันต้องได้มันถึงจะหายเครียดถ้าไม่ได้ก็เครียดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ความเครียดมันก็จะหายไปแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปไปดับความเครียดเพราะความอยากตัวสร้างมันไม่มีแล้ว <S <S แต่ถ้าไปเส่งเสริมความอยากความอยากก็ยังมีอยู่ เดี๋ยวของที่เราได้มาหมดไปก็อยากใหม่แล้วแสดงว่าถ้าทําตามความอยากอะไเป็นเนรื่องก็คือมันก็คือเ ข, าข้าเกดไจรักอะไรอย่างเงี้ยนะคืถ้าอยู่แบบไปพอพอได้มาคุ๊่เดี๋ยวก็อยากใหม่ได้ม ก, ก็อยากใหม่แต่ถ้าเราแบบพัฒนาจิตใจเราเองก็คืออยู่ความอยากตรงนั้นน่นคืออยู่ใจมันอิงอ่งใจมันโั<ใ>นี้มันก็คือเหมือนอยู่ที่จุดเดิมมันไม่ไปไหนเราไม่เราไม่ดื่มกาแฟดูต่อมาเราก็เลิกดื่มได้ ถ้าดื่ก็ต้องดื่มไปจนวันตายแกขนาดไห น, ก, หนก็ยังอยากดื่มเนี่นอน ะ, อะมีคําถามไหมไอมีจะให้ทางบ้านเขาถามน ะ, ะทางบ้านว่ามาคําถามจากคุณโตมอนค่ะการทําบุญควรทําให้ครบองค์สามใหม่ครับคือทานศีลภาวนาครับมันก็เป็นเหมือนเรีนท้งเสืออะมันเป็น เป็นชั้นเป็นขั้นก็ต้องทําไปตามชั้นตามขั้นทําจากชั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ชั้นที่ยากกานต้นก็ทําทานทําทานได้ก็รักษาศิลรักษาศิลห้าก่อนรักษาศิลห้าได้แล้วก็รักษาศิลแปดถ้ารักษาศิลแปดได้ก็จะมีเวลามาภาวนาถ้ายังรักษาศิลแปดไม่ได้มันก็ยังไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มอยู่มันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาะ ำคำถามจากคุณพัชราค่ะหากเคยนั่งสมาธิจิตดิ่งรวมและพิจารณาทางปัญญาต่อการทำสมาะิภาวนาหลังการพิจารณาทางปัญญานั้นแค่จิตสงบไม่ดิ่งแล้วได้ไหมคะก็ะไม่ห้ามเนี่ยจะจะได้ผลหรือเปล่าเั่นั้นเองจะเป้าหมายของการเจริญปัญญาก็เพื่อหยุดความอยาก ถ้าหยุดได้ก็ก็ใช้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีแรงต้านความอยากไม่มีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิอันมีอูเบกขามันจะเฉยวลาใจมีอุเบกขาจะเฉยจะไม่มีรู้สึกอยากกับอะไรมีความอยากโผล่ขึ้นมามันก็เฉยได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิพออยากปุ๊บก็ปั๊บเลยอยากกาแฟปุ๊บก็ ตมน้ำเลยชงกาแฟเลยอยนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยปฏิบัติไปก็ดูค่อยรู้ว่าเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากอถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่ไปใช้หยุดความอยากก็อย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลาเช่นดังสมาธิออกมาปับ๊บอยากจะดูหนังก็ดูเลยอยากจะฟังเพลงก็ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็กินทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลากินเวลาดื่ม ถ้าอย่างนี้ก็ปฏิบัติไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะกิเลส ก, ก็ไม่ตายความทุกข์ก็ไม่หายเพอเดี๋ยวแิ่เวลาอยากเราไม่ได้ทำดังใจอยากก็ทรมานใจคาถามจากคุณหลงรู้ค่ะเราโดนใส่ร้ายเข้าใจเราผิดจนเราตกเป็นผู้ร้ายในใสายตาคนอื่นข้อหนึ่งเราจะทำยังไงคะก็เราไม่ได้เป็นเราจะไปกลัวทาไม่ะ ในสายตาเราดีหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราจะไปวิตกทำไมะคนอื่นถ้าเขาอยากจะเชื่อก็ช่วยไม่ได้เราเราเราจะไปรู้หรือว่าคนที่เขาฟังก็จะเชื่อหรือเปล่าคนาฟังบางคนบางคนฟังก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ตอนรู้น้ํายายของคนพูดมันชอบโกหกหลอกลวงนี้เขาก็ไม่เชื่ออยู่เฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับความพูดความรู้สึกของคนอื่นมันไม่เกี่ยวกับเราขอให้เรา รักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปกับการที่เขาใส่ร้ายเราได้ก็พอแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาใส่ร้ายเราไม่ได้ห้ามให้คนอื่นไม่ห้ามให้คนอื่นไม่ไปเชื่อของเาไม่ได้ถ้าคนอื่นอยากจะเชื่อมันก็เชื่อแ่ะคนที่เกลียดเราอยู่แล้วพ <Penny> อใครไปใส่ความหน่อยมันก็เชื่อแล้วหละแต่คนที่ไม่เกลียดเรารักเราเนี่ใส่ความยังไงก็ไม่ก็ไม่เชื่อเพราะเขารู้จักเราว่าเราเป็นยังไงใช่ไหย อย่นั้นเราอย่าไปกังวลเลเราห้ามไม่ได้ขอให้มองคำํำขอรหาสนินทางเหมือนกับเสียงลมพัดก็แล้วกันเราไปห้ามลมไม่ให้พัดได้ไหมตอนนี้ลมมันพัดมีเสียงอย่างนั้นเสียงลมพัดมาเราจะหยุดมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันพัดไปอปัญหาของเราคือใจเราไม่นิ่งใจเราไม่เฉยไม่มีอุเบกขามีความอยากให้เขาอยาบพูดอย่างนี้เห็มไหม นี่ก็ความอยากเองแล้วแต่ถ้ามีสมาธิก็เฉยเพราะอยากให้เขาไม่พูดก็ทุกข์แล้วเราเมองไม่เห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราฉะนั้นเราอย่าไปอยากให้เขาไม่พูดไหวก็พูดไปเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเขามีสิทธิ์ที่จะพูด คำพูดของคนถนะ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนได้เปลี่ยนคนอื่นได้ก็ดีเลยใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนตัวเราเองเลยพูดตอบไปนี้จะรวยเหม่มันรวยทักทีตอบไปนี้จะหล่อเหม่ยมันหล่อทักทีตอบไปนี้จะดีเห็นมันดีทักทีมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนคนเราจะดีจะชั่วจะรวยจะจนไม่ได้อยู่ที่คําพูดไม่ได้อยู่ที่คําสาบแช่งหรือคําสรรเสริญ ญาตโยมเนี่ยชอบคาสรรเสริญของพระขอให้ร่ําให้รวยสาธุสาธุกันใหญ่แล้วรวยหร่อเปล่าเนี่ยพูดว่าไม่รู้กี่กี่กี่ครั้งแล้วปากเปียกปากฉีดให้พรทุกวันเนยอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุแล้วเป็นยังไง <c oughs> ก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เจริญจากการที่เราพูดกค่นีมันจะเจริญเสื่อมจากการการทําของเราเอง เราทําตัวเราให้เจริญได้ทําตัวของเราให้เสริมได้แต่คําพูดของคนอื่นทําไม่ได้ยันอย่าไปรีตกกังวลกับคำพูดของคนอื่ น, น, ป, กก น, น, นปัญหาของเราคือเราอยากจะให้เขาพูดดีเราอยากให้คนอื่นที่ฟังเชื่อเชื่อในความดีของเราไม่ให้เชื่อในความไม่ดีของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์ทุกข์ก็ความอยากยังเราต้องมาหยุดที่ความอยากอยากไปอยากให้เขาไม่พูดอะไร เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปอยาไปอยากให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไปเขาอยากจะเชื่อก็ปล่อยก็เชื่อไปเขาไม่เชื่อก็ปล่อยก็ไม่เชื่อไปคําถามจากคุณทีระสุดค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วเกิดชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นจะมีวิธีแก้อย่างไรครับก็อย่าไปเ้าใกล้เต่อสิอย่าไปยุ่ง ก, กันอย่าไปเจอกันอย่าไปคุยกัน เวลาเข้าม า, มาแล้วมาเราก็เดินหนีไปอย่าไปอยู่ใกล้ชิดกันอย่าไปอยู่สองต่อสองต่อกันหรือเวลาคิดถึงเขาก็ให้คิดถึงโครงกระดูกของเขาก็ได้ให้คิดถึงตับไตไสู้มิของเขาบ้างก็ได้ให้คิดถึงเวลาที่เขาแก่บ้างก็ได้เวลาที่ผมงอกเวลาที่หลังคล้องคิดถึงเวลาที่เขาตายก็ได้ให้คิดไปในทางลบบ้าง อย่าไปคิดในทางบวกโอ้ยเขาหน้าตาดีน่ารักน่าดูน่าชมถ้าคิดอย่างนี้มันก็อยากจะได้เขามาแต่ถ้าคิดว่าโอ้ยร่างกายเขานี่มีแต่กระดูกมีครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีอุจจาระมีปัสสาวะโอ้ยเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะได้นะอย่า้อย่คิด ในทางลบบ้างอย่าไปคิดในทางบวกคิดในทางบวกวจะทำให้เกิดความอยากได้เขามาถ้าคิดไปในทางลบ ก, ก็จะเกิดความอยากไม่ได้เข้ามาเป็นความคิดใหม่ถามจากคุณพัทลาพรค่ะการเดินรงกรมกับนั่งสมาธิเราควรใช้เวลาปฏิบัติอันไหนมากกว่ากันคะ แล้วแต่เราพอใจเราอยากจะเดินมากก็เดินมากอยากจะนั่งมากก็นั่งมากได้ทั้งนั้นมันไม่สำคัญที่นั่งหรือเดินสำคัญว่ามันสงบไม่สงบถ้าเดินแล้วสงบก็เดินไปถ้านั่งแล้วสงบก็นั่งไปเราไม่ต้องการสนใจเรื่องการเดินหรือการนั่งที่เราเปลี่ยนการเดินการนั่งก็เพื่อที่จะผ่อนคลายความเจ็บปวดของร่างกายเท่านั้นแหละ เวลานั่งไปนานๆนั้นก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันหายปวดหายเมื่อยพอเดินมากๆมันก็เมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่เป็นการเปลี่ยนริยาบทเป็นการกระจายระยาบทของร่างกายให้มันสม่ำเสมอให้มันสมดุลร่างกายมันจะได้ไม่เจ็บใข้ได้ปวด่วยข้อสองค่ะดิฉันลายหยุดงานมาสี่วันเพื่อปฏิบัติธรรม แต่เนื่องด้วยอาศาอยู่ที่ออสเตรเลียจึงได้แต่เป็นการปฏิบัติด้วยตนเองในสถานที่เงียบสงบถือศีกษจึงอยากขอให้พระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้วยค่ะก็เนี่ยแนะนำมาตั้งชั่วโมงแล้วไม่ได้ฟังเลยเอาหูไปไหนนยกลับไปฟังเดี๋ยวมีย้อนหลังฟังได้เนี่ย ถือเป็นการเจริญสติได้ไหมคะถ้าอ่านด้วยสติก็เป็นการเจริญสติแต่เป็นการเจริญปัญญามากกว่าเพราะอ่านได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาถ้าไม่มีสติอ่านก็จะไม่เข้าใจอ่านจะไม่รู้เรื่องเพราอ่านหนังสือไปใจก็คิดถึงเรื่องอื่นมันก็จะอ่านแล้วไม่เข้าใจเรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้าอ่านแล้วอยู่กับการอ่านอยู่กับหนังสือที่เรากําลังอ่าน เราก็จะได้สติแล้วเราก็จะได้ความรู้คือปัญญารู้ว่านังสือสอนให้เราทำอะไรกัน mm hmm. บอกให้เราทำอะไรหรือบอกให้เรารู้เรื่องอะไรกันอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสติก่อนมีสติอยู่กับการอ่านพออยู่กับการอ่านมันก็จะเข้าใจแต่เรามักจะใช้คำว่าสตินี้ผิดกันเราใช้คำสมาธิแทนอ่านหนังสือวันนี้ไม่มีสมาธิเลยอ่านสมาธิไม่ ความจริงไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธิมันไม่รับรู้อะไรมันนิ่งสงบที่มันรับรู้นี่คือตัวสติตัวจิตเวลาสงบแล้วเรียกสมาธิไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นรู้แต่เรื่องของมันตัวเดียวคือรู้แต่ตัวรู้เท่านั้นเองถึงเรียกว่าสมาธิแต่เราเอาคำสมาธิมาใช้แทนสติกันพอมาสอนเรื่องสติก็เลยงงพอพูดเรื่องสมาธิก็เลยสับสนเอ้มพูดถึงหมายความว่าไง สติคือตัวที่คอยกำหนดใจให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ส่วนสมาธิก็คือเวลาจิตมันนิ่งสงบด้วยสติไม่คิดปรุงแต่งมันก็เป็นสมาธิคำถามจากคุณปานิสาค่ะการที่เรามีโมโหกับงานที่นายช่างไม่ผ่านงานให้เราทั้งๆ ท, ที่เราว่าเราทำตามแบบทุกอย่างแล้วแต่ช่างว่ายังไม่ผ่านเราเลยคิดว่าเราถูกแกล้ง ล้วคิดแบบนี้เรามีบาปไหมคะก็เราก็ทุกไปเปล่าๆท่านเองเราก็ทําตามที่เขาบอกแต่ในเมื่อเขาเป็นผู้ที่จะเป็นคนตัดสินว่าเราทําถูกหรือไม่ถูกแกเราก็ตรอทําให้เขาว่าจกักาเขาจะว่าถูกไปคิดอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ไม่ผ่านเรา อ, อยู่ดีเมื่อเขาไม่ผ่านแล้วก็ถามว่ามันพ้อตรงไหนบกพร่องตรงไหนแล้วก็ไปแก้ตรงนั้น แกเสร็จแล้วมันยังไม่ผ่านก็ถาำแล้วมันตรงไหนอีกอะกระทำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านแล้วถ้าว่ามันยุ่งยากต่อไปก็อย่าไปทํากับมันเลยไปหางานอื่นทําทําที่ทํำกับคนอื่นถ้าคนนี้มันมันจู้จี้จุกจิกมากเกินเหตุเกินผลก็ต่อไปก็อย่าไปทํากับมันแต่ถ้าเขามีเหตุมีผลเราก็ต้องยอมรับบางทีฝีมือเราช่วยเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ดีไม่ถูก เราก็ต้องปรับไปตามที่เขาบอกเพราะมันเป็นสัญญาใช่ไหมการทำงานก่อนจะมอบเงินมอบทองมอบงานให้เขาก็ต้องตรวจคุณภาพก่อนว่างานที่เราทำนี่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าถ้าตกลงเขาก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็แสดงว่าเขาเบี้ยวเราก็ถือว่าสวยไปคราวหน้าก็อย่าไปทำกับมันตอนนี้ก็ต้องถ้าอยากจะได้เงินก็ต้องไปฟ้องร้องกัน คำถามจากคุณปณิสาค่ะบางวันเราไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระแต่เรานั่งสมาธิเลยอย่างนี้ถือว่าทําได้ไหมคะได้สมาธินี่ดีกว่าการสวดมนต์ซิเพราะสมาธินี่จะทําให้จิตสงบมากกว่าการสวดมนต์คำถามจากคุณราวันค่ะอะไรคือความอยากอย่างละเอียดคะและความอยากของเรื่องกินอยู่หลับนอนก็เป็นความอยากของชีวิตประจำวันหรือไมค่ค่ะ คามอยากที่เป็นความจําเป็นไม่เรียกว่าเป็นความอยากคือถึงเวลาที่ต้องกินข้าวอยากกินก็ไม่ไม่เป็นความอยากแต่ถ้ากินมากเกินที่ร่างกายต้องการก็ถือว่าเป็นเป็นความอยากคือเป็นกิเลสแต่ถ้ากินเพราะต้องกินนี้มันไม่เป็นกิเลสเพราะถ้าไม่กินร่างกายก็ต้องตายก็แสดงว่าไม่ใช่กิเลสกินเหมือนกินยาอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ได้กินแบบกิเลสกินแบบ กินแบบไม่รู้จักพออิ่มแล้วท้องตรงแล้วยังก็ยังอยากกินต่ออันนี้ยเรียกว่ากินแบบกิเลสนยเรื่องของการกินเรื่องของสิ่งที่จำเป็นนี้ถ้าไม่กินมากเกินไปกินตามความต้องการใช้ตามความต้องการของร่างกายคือปัจจัยสีนี้ไม่ไม่เป็นความอยากความอยากมีอยากอยากมีมือถือนอีอนออน่เป็นความอยากอยากมีรถยนต์มีความอยากอยากมีแฟนเป็นความอยาก อยากมีกระเป๋าอยากมีรองเท้าสวยๆไม่ใส่มีเสื้อผ้ามีอะไรมีสร้อยมีเพชรมีแหวนเนี่ยของเหล่านี้เรียกว่าเป็นความอยากเลย อ, อยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นความอยากทั้งนั้น ต, ต้องหยุดมันต้องอยู่แบบนักบวชนนักบวชเขาอยู่แบบไม่มีความอยากกัน คำถามจับคุณขวัญเลือนค่ะเมื่อวานมีปัญหากับแฟนค่ะเผลอตีขวนญและหยิกกัดไปเพราะโมโหเข้ามากพอรู้สึกตัวก็รู้สึกเสียใจที่ทําไม่ดีลงไปค่ะจะ บ, บาปมากไหมคะก็เรากลายเป็นแมวไปแล้วอะจะบากไม่บาปไปตีไปขวรไปกัดข้อคนก็ไม่ทํากันหรอกนี่แะเดี๋ยวเราฉันแล้วรู้ไหมกลายเป็นเดร๋ยวฉันแล้วยังมาถามบาปไม่บาป จะคุณหนุ่มหนิมค่ะการทําสมาธิยากจังเลยค่ะผ่านความเจ็บปวดขันห้าไปไม่ได้สักทีนั่งไปได้ชั่วโมงกว่า ก, าก็เริ่มเจ็บปวดแยกใจออกจากกายไม่ได้สักทีค่ะขอพระอาจารย์แนะนำด้วยก็ไม่มีสติไงชอบข้ามข้ามขัม้นตอนเลยยังท่องกอไก่ขอขาไม่ได้ก็จะไปหัดอ่านหนังสือแล้วอ่านยังไงก็อ่านไม่เข้าใจต้องหัดท่องกอไก่ขอขายก่อนหัดผสมตัวอักษรก่อน สระสระอาก่อนออกอกสระกอกายสระอาอ า, าก า, าออต้องหัดอ่านก่อนอ่านอ่านแล้วถึงค่อยไปอ่านหนังสือไดออ้ต้องฝึกสติก่อนถึงจะไปนั่งสมาธิได้ออพานั่งเลยไม่มีสติมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้แหลออะนั้นกลับไปเริ่มต้นที่กไก่ใหม่ไปฝึกสติใหม่อย่างที่เทศวันนี้ลืมตาขึ้นมาก็ออพุโทโธไปก่อนเฝ้าดูร่างกายไปก่อน อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นแล้วถ้าเราควบคุมใจให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ได้อยู่ในปัจจุบันได้เด๋ยวลา nang สมาธิมันก็จะไม่ไปไหนให้มันดูลมมันก็จะดูลมถ้าดูลมไปเดี๋ยวมันก็พูดพลาดลงไปต ก, ตกหลุมตกหลอลงไปหรือพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็พูดลงไปมันก็สบงบฉนั้นกลับมาฝึกที่สติกันเถิดอย่าไปฝืนนั่งเลยนั่งก็ไม่ได้ผลหรอกมาฝึกสติให้มากๆก่อน คำถามจากคุณอภิชาติค่ะปฏิบัติธรรมคืออะไรอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าครับจําเป็นต้องอยู่วัดหรือเปล่าครับเรียกว่าจำเป็นไม่จําเป็นหรอกปฏิบัติธรรมก็คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบอฟังเทศฟังธรรมหรือคิดให้ฉลาดคิดให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เรียกว่าปฏิบัติธรรมอ เราจะนุ่งขาวห่มขาวก็แล้วแต่สถานที่ถ้าอยู่บ้านของเราเองเราจะนุ่งอะไรก็ได้ไม่นุ่งอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็เวลาอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำก็ไม่ได้นุ่งไ ม, ม่ได้น <c oughs> อยู่ในห้องน้ำก็ยังพุทโทได้เนี่ยอาบน้ำก็ยังพุทโทได้ยังพิจารณาธรรมะได้ยังเจริญปัญญาได้ ดังการแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ชุดอะไรนี่อยู่ที่สถานที่อยู่ที่กาลเทศะถ้าเราไปอยู่ที่ที่เขาให้ใส่เราก็ต้องใส่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เขาไม่ให้ใส่เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรามีอะไรไหมคําคถามมีค่นนีคใช่ไหมต้องปฏิบัติทําหรือเปล่าเลยต้องขา้าหุงค้าหรือเปล่าจำเป็นต้องอยู่วัดหรือเปล่าครับก็เหมือนกันถ้าจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ ถ้าอยู่วัดที่สงบมันก็จะดีเพราะมันจะช่วยให้การปฏิบัติได้ผลดีกว่าอยู่วัดที่อยู่ที่ไม่สงบเช่นอยู่ที่บ้านถ้าอยู่บ้านมีคนมากมีคนเยอะคอยรบกวนมันก็จะสงบยากแต่ถ้าอยู่บ้านไม่มีคนเราอยู่คนเดียวแล้วไปอยู่วัดแล้วมีคนเยอะกว่าก็อยู่บ้านดีกว่าอยานอย่าไปดูว่า ว, าวดัดหรือวัดให้ดูว่ามันที่มันวิเวกหรือไม่วิเวกที่มันสงบหรือไม่สงบ ที่สงบน่นเนระเรียกว่าวัดไม่ใช่เพราะที่ที่ตรงนั้นมีโบสถ์มีเจดีย์ถึงจะเรียกว่าวัดมีโบสถ์มีเจดีย์แต่มีลำตัดมีลิเกมีหมอลำมีงานวัดนี้มันก็ไม่ใช่วัดละเข้าใจไนหะมเป็นสถานบันเทิงล้ะเป็นซินีเพล็กซ์ละ <c oughs> <c oughs> เป็นศูนย์การค้าละที่ไหนที่มันไม่มีอะไรเนี่ยเรียกว่าวัดเนี่ยในพระพุทธเจ้าตัดสรู้ในป่าใช่ไหนั่นแหละวัดของพระพุทธเจ้า คือป่าเขาลําเนาภัยที่สงบวิเวกสงัดหางไกลาจากแสงสีเสียงต่างๆคําถามจากคุณพีโก้ค่ะเรียนถามเรื่องความอยากกับการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเกิดมาก่อนหลังเช่นติดกาแฟเพราะความอยากกินกาแฟหรือเรายติดกับโต๊ะกาแฟค ะ, คะเออย่าไปสนใจมันเลย <c oughs> ให้รู้เราติดเราอยากก็แล้วกัน ตัวไหนมาก่อนมาหลังไม่สําคัญอะขอให้กําจัดมันให้หมดก็แล้วกันมันเป็นเหมือนไอก่ไก่ไก่กับไข่เนี่ยเอาไปลองไปไล่มันดูใครเมื่อก่อนมาหลังมาเดี๋ยวก็เสียเวลาเปล่าๆกินเล่มันชอบหลอกให้เราเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียไอ้เรื่องที่ควรจะเสียกับมันจะหลอกให้เราไม่เสีย อ้เรื่องที่จะมาให้หยุดความอยากหยุดความติดมันไม่มันไม่บอกให้เราสนใจมันกลับมันหลอกให้เรามาสนใจว่าอันไหนมาก่อนมาหลังแล้วเราจะได้ไม่มาไม่มาเสียไปเราจะได้ไม่มาหยุดความอยากหยุดความติดกันมาโมวแต่หาหาว่าตัวไหนมาก่อนตัวไหนมาหลังเนี่ยกลเล่กลของกิเลสมันฉลาดไหยมันหลอกให้เราโง่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลอกให้เราวิ่งตะคุกเงาตัวมันเองมันไม่ยอมให้เราตะคุบ อมมันชอบหลอกให้เราไปตะคุมเงามันแต่ตัวมันไม่ยอมให้เราจับงั้นอย่าไปสนใจว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังตัวไหนมาก็เอาตัวนั่นแหละถ้าความอยากมาก่อนก็ฆ่ามันก่อนถ้าความติดมาก่อนก็ฆ่ามันก่อนตัวไหนมาถ้ามันมาพร้อมกันก็ฆ่ามันพร้อมๆกันต้องฆ่ามันอย่างเดียวแล้วไม่บาปด้วยฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความอยากฆ่าความติดนี่ไม่บาปเป็นบุญ คำถามจากคุณตันนี่ค่ะตอนนี้ฝึกจนได้ฌานหนึ่งบางครั้งออกจากสมาธิในระหว่างวันแค่สุดลมหายใจเข้าก็รู้สึกว่าได้เข้าฌานได้อันนี้ใช่หรือไม่คะก็ไม่รู้น่ะคุณได้แล้วคุณมาบอกเราเรามาถามแล้วได้ไงคุณว่าได้ก็ได้เลยเราต้องดูอะไรต่อคะก็ดูต่อไปยังกามันจะเข้าฌานสี่เลยหมือนขับรถเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สอง จากเกียร์สก็เข้าเกียร์สเกียร์สาก็เข้าเกียร์สวิธีจะเข้าเกียร์เหล่านี้ก็พุทโทไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่าหยุดพุทธโทหรือถ้าดูลมหายใจก็ดูไปเรื่อยๆอย่าดุดอย่าหยุดดูเหมือนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆ อ, อยู่ที่พงมาลัยพอรถวิ่งไปต้องเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนไปแต่ก็ขับไปเรื่อยๆเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆอย่าปล่อยคันเร่งถ้าปล่อยคันเร่งปั๊บมันถอยกลับทันทีเดี ok ๋ยวก็ต้องเปลี่ยนจากเกียร์สมาเป็นเกียร์สเป็นเกียร์หนึ่ง เป็นเกียรว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาก็อย่าไปสนใจว่าอยู่เกียร์ไหนก็ภาวนาไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเกียร์สี่แล้วมันก็จะสงบว่างเบาสบายคำถามจากคุณสุ ป, ปานีค่ะสมถะกับวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะอ๋อก็มึงสอนไปเมื่อกี้นี่แหละ ธรรมะก็คือความสงบวิปัสสนาก็คือความฉลาดรู้จริงรู้ว่าความอยากเป็นทุกข์รู้อยากว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์นำความทุกข์ต่างๆมาให้แก่จิตใจเรียกว่าวิปัสสนาคำถามจากคุณปัญญาค่ะถือศีลแปนอนพื้นสามีนอนบนเตียงถือว่าผิดศีลไหมคะไม่เกี่ยวกันเนี่ย ตอนนอนพื้นก็ไม่ผิดศีลอยู่แล้วเพียงแนอนห้องเดียวกันใช่ไหมอย่าไปนอนห้องเดียวกันเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดลอยตัวขึ้นไปอยู่บนเตียงความอย่ากนี่มันจะทำให้ตัวเห็นภาพเลยค่ะ อ่ตไปคําถามจากคุณหนิงค่ะบางคนที่เขาไม่ได้ฝึกสมาธิแต่เขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรไม่ดีเขาก็จะไม่ทําเช่นเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ประพฤติผิดในการอย่างนี้ถือว่าเขาเป็นผู้มีปัญญาโดยไม่ต้องไม่ต้องเจริญสมาธิได้ใช่ไหมคะไม่หรอกก็ได้ปัญญาระดับศีลเท่านั้นเองปัญญาระดับที่สูงกว่าศีลอยังมองไม่เห็น นอนกาแฟนี่ก็เป็นเ ป, เ, ปเป็นเป็นกิเลสละยังมองไม่เห็นยังเป็นความอยากอยู่ไปเที่ยวกันก็เป็นกิเลสอยู่มองไม่เห็นดังนั้นต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นว่ามันเป็นความอยากเป็นความทุกข์คําถามจากคุณป๊อปค่ะการที่เราพูดว่าเดี๋ยวกันก็ตามทันอีกไม่นานหรอกเป็นการสับแช่งเขาหรือเปล่าครับก็อยู่ที่เจตนาเราอะ ถ้าเราพูดตามความจริงมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้สาบแช่งแต่ถ้าเราพูดเพราะอยากให้มันตามมาเร็วๆให้มันเกิดมันก็เป็นการสาบแช่งเพราะทุกอย่างมันต้องตามมาทากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการสาบแช่งมันก็ต้องพูดทั้งสองสองด้านไม่เอาแต่ด้านเดียว มันมีทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีคนเราทํามันไม่ได้ทําแต่กรรมชั่วอย่างเดียวบางวันก็ทําดีบางวันก็ทําชั่วสลับกันไปแต่ทําอะไรไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีผลตามมาต่อไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆวันนี้ปลูกส้มพรุ่งนี้ปลูกมะละกอมืรอนนี้ปลูกกล้วยาเดี๋ยวผลของการที่เราปลูกไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาบางอย่างก็เลยววกันถึงแม้ปลูกทีหลังแต่มาก่อน เพรามันเป็นพวกที่ออกผลไวปลูกกล้วยนี่มันเร็วกว่าปลูกปลูกปลูกส้มเส้มอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีปลูกกล้วยนี่เดี๋ยวไม่กี่เดือนปลูกข้าวสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยงั้นกรรมแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันส่งผลช้าส่งผลเร็วส่งผลน้อยส่งผลมากไม่เท่ากันคําถามจากคุณเปิ้ลค่ะเวลาเดินจงกรมเรากําหนดฐานจิตไว้ที่ใดคะ เราจะพุทโทรไปกับการเคลื่อนของขาได้ไหมคะได้จะอยู่กับพุทโทรอย่างเดียวก็ได้แต่ก็ต้องดูว่าเรากำลังเดินต้องดูการเดินด้วยไม่ใช่เดินไปชนต้นไม้ก็ยังพุทโทรพุทธโทย <c oughs> เดินไปก็ต้องดูว่าเรากำลังต้องมองไปข้างหน้ามองไปในทิศทางที่เราเดินแล้วก็คอยควบคุมใจให้อยู่กับการเดินอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปคิดก็ใช้พุโทโธดึงกลับมา ือ ใ, ใช้ซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งกลับมาก็ได้คำถามจากคุณขุนศึกค่ะขณะผมนั่งทําสมาธิประมาณชั่วโมงกว่ากว่าถ้าเวทนามาเยอะเราควรทํำยังไงดีครับพุทโธอยู่ตลอดเวลาแต่แต่เส้เวทนาไม่ไหวควรทํายังไงดีครับก็แล้วแต่คุณนะคุณจะทําอะไรก็ทํำไปเลยถ้าควรจะทําก็คืออยู่กับพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บอยู่กับพุทโธให้มันทีขึ้นก็ได้ อย่าไปให้มันคิดถึงความเจ็บพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันจะลืมความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่มาลบกวนใจถ้าพุโทโธไม่ได้ใช้ปัญญาได้ก็มองความเจ็บว่ามันเป็นเหมือนเสียงที่คนด่าเนี่ยเวลาเขาด่าเราเราไปห้ามเขาให้เขาหยุดด่าได้ไหมก็ปล่อยก็ด่าไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้ว เ, เป็นคนรับรู้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเองคนเจ็บไม่ใช่เราคนที่เจ็บก็คือร่างกาย ร่างกายไม่เห็นบ่นเลยว่าเจ็บใครบ่นว่าเจ็บคนดูใช่ไหมใจคือคนดูดูร่างกายพอให้ร่างกายเจ็บก็ไปทุกแทนร่างกายเพราะไม่ชอบให้ร่างกายเจ็บเท่านั้นเองเอย่างเราต้องปล่อยว่าเป็นความเจ็บไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกายไปห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดจะดับมันมีมีเหตุของมันเองมันจะดับเดียวมันก็ดับมันไม่ดับไปทำยังไงมันก็ไม่ดับ ไม่นั่นอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับเสียงคนดา่าไปห้ามเขาให้ไม่ดา่าไม่ได้เขาจะดา่าก็ปล่อยก็ดา่าไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ดา่าอยากให้เขาไม่ดา่าแล้วทุกข์ <c oughs> แต่ถ้าเฉยๆเสียก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> แล้วยินดีกับการดา่าเขาได้เองดีอ <c oughs> ถ้ายินดีก็ก็สุขทันทีได้ดังใจอยาก <c oughs> เออด่าเลยอยากจะฟังนานแล้วไม่ได้ฟังคาําด่าปล่อยก็ด่าไปเ <c oughs> ต้องปล่อยวางใช้สองวิธีถ้าไม่ใช้พุทโธก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางความเจ็บว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูให้รู้ให้ดูไปร่างกายเป็นผู้เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายไม่ได้ขอให้มันหายเลยร่างกายมันเฉยไม่เคยพูดไม่เคยบอกเราไม่ว่าพี่ช่วยกำจัดความเจ็บให้หน่อยดมันไม่ได้บอกมันเลย แล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับร่างกายเขาเขาไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนก็ทําไมเดือดร้อนก็เลยทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่เดือดร้อนเราเฉยเฉยมันก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณว่านค่ะการสวดมนต์จำเป็นต้องสวดทุกวันหรือเปล่าคะกินข้าวต้องกินทุกวันหรือเปล่า<ม>การสวดมนต์ก็เหมือนกับการให้อาหารกักบจิตใจนี่แหละสวดมนต์ก็ให้สติให้ความสงบ ให้ความสุขกับใจคุณถ้า ค, คิดว่าความสุขของใจมีความจำเป็นคุณก็ต้องสวดวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดว่าความสุขของใจไม่จำเป็นคุณก็ไม่ต้องสวดเหมือนกับร่างกายถ้าคุณคิดว่าการกินข้าวของร่างกายจำเป็นไม่จำเป็นคุณก็ไม่ต้องกินใช่มคำถามจากคุณสบายใจดีค่ะ พระอาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะสติที่ว่องไวและสมาธิที่มีกําลังเป็นอย่างไรคะก็สติว่องไวก็คือพออยา ก, ป, กยปุบกป๊บก็หยุดปั๊บเลยพอจะโกรธปั๊บก็หยุดปั๊บเลยพอจะเสียใจก็หยุดปั๊บเลยพอจะร้องไห้ก็หยุดปั๊บเลยพอจะทําอะไรก็หยุดได้ทุกทันทีนะก็แสดงว่าสติไวแล้วสมาธินะ เมื่อกี้ข้อสติไว้กับสมาธิอะไรสติและสมาธิที่มีกำลังค่ ะ, ะเป็นอย่างไรคะก็เนี่ยสมาธิที่มีกำลังก็เฉยได้ไงใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเฉยมัหมดจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเนี่ยมีกำลังไม่เดือดร้อนคาถามจากคุณพัฒนาพรค่ะและอาจารย์บอกว่าฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะไปนั่งสมาธิ หมายความว่าเพียงแค่กาหนดพุทโธในอริยบทต่างๆก็เพียงพอหรือคะไม่ต้องฝืนนั่งสมาธิหรือคะก็ถ้าไม่มีสติมันก็จะนั่งไม่ได้ไม่ใช่ไม่นั่งไม่นั่งไม่ได้มันเป็นขั้นขั้ตอนนะพอบอกอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วใช่ตอนฝึกสติยังไม่ต้องไปนั่งแต่ถ้าเมื่อยไม่อูจะทําเราจะนั่งก็นั่งฝึกสติต่อก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ฝึกสติพุทโธต่อไปก็ได้ ถ้ามีสติต่อเนื่องมันก็จะสงบได้คำถามจะคุณขวันเรือนค่ะเป็นสิวแล้วเราต้องรักษาให้หายโดยการฟอกหน้าด้วยสมุนไพรอย่างนี้ผิดศีลแอบหรือไม่คะการักษาก็ไม่ผิดศีลไม่ต้องฟอกทั้งหน้าหรอกก็ฟอกแต่เฉพาะที่เป็นสิวนี่ไม่ฟอกทั้งหน้าแตส่วนที่มันไม่เป็นทําไมถ้าฟอกทั้งหน้าเหมือนก็เป็นกิเลสละ หมดนล้วแหละใช่ค <laughs> ำ, ำถามจากคุณเ่าค่ะผมต้มน้ำกำลังจะเดือดแล้วแกมาม่าใส่ลงไปตั้งสติตให้ดีแต่ไม่รู้ว่ามีมดอยู่ในซองอ <laughs> พอผมเห็นผมก็เลยรีบดับไปค่ ะ, ะถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปหรอก มีวศที่ตายและรอดค่ะครานี้ผมจะบาปมากในครัอ้อถ้าไม่มีความตั้งใจจะฆ่ามันไม่บาปหรอกเองแต่เป็นการเสื่อสติหรือไม่รอบครอบไม่ดูซะ ก, ก่อนคําถามจากคุณซันนี่ค่ะนั่งสมาธิเจอแต่ความสุขสบายจะพิจารณาปัญญาอย่างไรดีคะอ๋อปัญญาเราให้ออกจากความสุขสบายก่อนแล้วพอมาเจอความอยากก็ใช้ปัญญาพิจารณารว่าอยากเราจะทุกข์ อย่าไปอยากใช้พิจารณาเพื่อหยุดความอยากหรือถ้ายังไม่มีความอยากก็พิจารณาสอนไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดไปเจอความอยากอะไรจะได้หยุดมันได้เช่นความอยากที่เราจะมีที่เรายังต้องกำจัดก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราต้องสอนใจว่าอยากไม่แก่ก็ท้ามความแก่ไม่ได้อยากไม่เจ็บก็ห้ามความเจ็บไม่ได้อยากไม่ตายก็ห้ามความตายไม่ได้ อากไปก็ทุกไปเปล่าๆสู้อยากไปอยากดีกว่าซื่อปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปดีกว่าเพราะยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแต่เราสามารถแก่เจ็บตายได้โดยความโดยไม่ทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้วิธีจะหยุดความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ต้องพิจารณาบ่อยๆว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอพิจารณาบ่อยๆเข้ามันจะไม่ลืม ที่เราอยากไม่แก่เพราะเราลืมแบบคิดเราคิดว่าเราจะไม่แก่กันแต่ถ้าเรารู้ว่าต้องแก่เราก็จะได้ไม่ไม่ไปฝืนมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปได้ยังต้องหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้ไม่ลืมแล้วมันจะได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อันนี้คือการพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนครับ ส่วนถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาปุ๊บปั๊บทันปัจจุบันทันด่วนก็ต้องหยุดมันให้ได้ก็เหมือนกันให้เห็นว่าอยากเราทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์พอใครก็ด่าเราก็อยากจะให้เขาไม่ด่าเรานี้ก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าปล่อยให้เ้าด่ามันเราก็จะไม่ทุกข์อาจารจะแสดงว่าที่หนต้องอาศัยก็มาสมาธิมากๆถึงจะตัได้ใช่ไม่ใช่นะกิเลสมันจะดึงไปก่อนมันจะโกรธก่อนมันจะอยากก่อนอมันจะตอบโต้ก่อน พอใครก็ดา่าก็ดา่ากลับก่อนแลนะเนออมันก็เลยหมดแล้วเลยหมดแล้วค่ะเออดีหมดแรงพอดีมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด